สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักรคนชอบเล่าช่วงนี้สําหรับท่านสมาชิกที่ต้องการจะเข้าป่าก็รอกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสําหรับการถ่ายทอดครับก็จากเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแบ่งปันมาครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึง่งเพราะว่าช่วงนี้สมองเออเรอรู้สึกว่าอะไรอไรมันก็มารุมมาตุ้มรวมกันไปหมดคิดไปคิดมาก็มันดีครับรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันไม่บ่อยนักที่ชีวิตจะได้เจออะไรมันๆอย่างนี้ตอนนี้สําหรับเพนแฟนของตะเกิ้นก็ใจเย็นนะครับ กำลัอนอยู่ในขั้นตอนระหว่างของความเมตตาจากท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรับปากอะไรได้นะครับว่าตะเก็นจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ได้แต่ภาวนาครับและระหว่างที่กําลังภาวนาอยู่นี้เราก็มาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันต่อดีกว่าครับโดยเรื่องราวนี้ส่งมาจากพยักใต้เขื่อนเป็นยังไงล่ะเชื่อเจ้าของเรื่องราวน่าจะเป็นเสือสุ่มเพราะว่าไปอยู่ที่ใต้เขื่อนอน๋อเล่นนะครับแล้วเรื่องราวของพยักใต้เขื่อนจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับ คุณพยักษใต้เขื่อนเล่าว่าสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อ3ามปีก่อนก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าบ้านผมอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วผมได้ไปเยี่ยมเพื่อนผมคนนึงซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเดียวกันแต่บ้านของเพื่อนผมเขาอยู่อีกฟากหนึ่งของตัวอำเภอและบ้านเขาก็จะอยู่ที่ริมป่าติดกับปทิยานแห่งชาติทับลาน เป็นเหตุให้เส้นทางที่จะเข้าไปพบเขาให้ได้นั้นดูมันแยกลําบากเหลือเกินพระถนนห น, นทางก็ยังเป็นลูกรังมีความเป็นหลุมเป็นบ่อมากบางครั้งถ้าเป็นช่วงฤดูฝนถนนหนทางก็มีอันต้องขาดเป็นเหตุให้ไม่มีทางเข้าหมู่บ้านเดินทางไปก็เข้าไม่ได้ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเข้าหรือออกจริงๆก็จะต้องอ้อมไปอีกทางเส้นหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ต่างไปจากเส้นเดิมเท่าไรนักก็ยังคงเป็นถนนลูกรังเหมือนเดิมหลุมบ่อก็มีพอกันแต่ที่ต่างกันแน่ๆก็คือระยะทางซึ่งถนนห น, นทางเส้นนี้ก็จะไกลกว่าทางหลาหลลลกกายิโ วันนั้นผมเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนกับเพื่อนอีกคนซึ่งเพื่อนที่ผมจะเดินทางไปเยี่ยมกันนั้นชื่อน้องเป็นอบต อ, อยู่ที่นั่นและเมื่อเรา2คนเดินทางไปถึงก็ตามธรรมเนียมเพื่อนเจอเพื่อนก็มีการทักทายกันถามถ่ายสารทุกสุขดิบและที่ขาดไม่ได้ก็คือการดื่มเหล้ากันตามปกติเพราะว่านานทีจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งพวกเรานิยมไทยเหล้าที่เราเดื่มก็คือเหล้าขาวซึ่งวันนั้นมันก็ช่างหวานเลื่นคอดีเหลือเกินเราก็นั่งดื่มกันไปคุยกันไปเฮฮากันไป บรรยากาศใชป้ปาก็าให้ซะด้วยไม่ร้อนสบายๆเรานั่งคุยกันเพลินๆอยู่พักหนึ่งก็มียายแก่ๆคนหนึ่งจากที่เห็นอายุน่าจะประมาณ80กว่าปีเสื้อผ้าที่แกใส่ดูมอมแมมสภาพร่างกายดูสูบผอมแกเดินกระย่องกระแยงมานั่งที่บ้านของเพื่อนผมดูลักษณะว่าแกก็เดินมานั่งเล่นนี่แหละแล้วแกก็ทำเหมือนว่ากำลังนั่งฟังพวกผมคุยกันไอตัวผมก็เกิดความสงสัยก็เลยถามเพื่อนไปว่าเฮ้ย hey, ยายคนนี้เป็นใครเพราะผมก็เคยมาที่บ้านเพื่อนหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพบแกเลย และเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่ายายคนนี้ก็ชื่อยายเสงี่ยมไม่ทราบนามสกุลแต่จะบอกให้นะอดีตของแกเนาะเคยเป็นเมียเสือเป้าเสือชื่อดังของอำเภอคอนบุรีและอำเภอใกล้เคียงและหลังจากที่เสือเป้าถูกตำรวจยิงตายมาหลายปีแกก็มีผัวใหม่เป็นตำรวจและต่อมาไม่รู้ว่าเป็นยังไงผัวแกอีกคนก็ตายเหมือนกันและสุดท้ายแกก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตามลําพังคนเดียวจะว่าไปลูกหลานแกก็มีหลายคนนะแต่ก็ไม่มีใครมาดูแลแกเลยปล่อยให้แกอยู่ลําบากคนเดียวนี่แหละตอนนี้แกก็พักอยู่ที่กระท่อมเล็กๆ แล้วเพื่อนผมก็ชี้มือไปที่หลังบ้านแล้วบอกว่ากระท่อมของแกอยู่ตรงนั้นแต่ตัวผมก็ยังไม่หมดความสงสัยก็เลยถามยายแกไปว่ายายครับยายอยู่กับใครอ่ะแกก็บอกว่ายายอยู่คนเดีย ว, ยยยวก็อาศัยเงินเดือนก็ขนแก่พอเด็กกินไปมีมั่งอดมั่งก็อยู่ไปผมได้ฟังแล้วก็ให้สงสารจับปวดใจอยากเห็นที่อยู่ของแกเหลือเกินก็เลยชวนแกและเพื่อนผมเดินไปดูบ้านของแกหรือว่ากระท่อมที่แกอยู่นั่นแหละ พ, พวกเราเดินกันไปถึงสิ่งที่เห็นก็คือสภาพบ้านหรือกระท่อมซึ่งเก่ามากหลังคาก็ผุเป็นรูโวเนื่องจากสังกะสีมันขึ้นสนิมจนกินแหว่งบุไปเป็นช่องช่งฝาบ้านก็เป็นสังกะสีเก่าๆ ผ, ผุเช่นเดียวกับหลังคาบ้านลักษณะคล้ายบ้านพักคนงานมากกว่าจะเรียกว่ากระท่อมพอผมลองขออนุญาตแกเดินขึ้นไปดูบนกระท่อมที่แกอยู่ซึ่งแกก็อนุญาตพอผมขึ้นไปก็ยิ่งทําให้ผมสงสารแกเข้าไปอีก สิ่งที่ผมเห็นก็คือผ้าหุมเก่าๆซึ่งมีสีดำกับฟูกปูที่นอนที่ดำมากดำจนแทบจะมองไม่รู้ว่าสีเดิมคือสีอะไรข้าวของเครื่องครัวก็วางอยู่อีกมุมฟากหนึ่งกับที่นอนยายสภาพบ้านขนาดนี้เวลาฝนตกยายนอนยังไงอะผมถามแกยายยังไม่ทันจะตอบผมเพื่อนผมก็บอกว่าแกก็หานอนแถวหน้านบ้านคนอื่นหรือไม่บางครั้งแกก็ไปนอนในห้องน้ําบ้านใกล้ๆกันที่เขาสร้างห้องน้ําไว้นอกตัวบ้านยายแกก็พอจะมีที่สู้หัวนอนนั่นแหละพอได้ฟังผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยผมไม่เงินติดตัวอยู่400กว่าบาท เดินลงกระท่อมมุ่งหน้าไปร้านค้าสืบน้ำปลาไขา่ไก่ปลากระป๋องและนมกล่องมาให้แกเพื่อให้แกได้มีพอประทังชีวิตไปก่อนพอผมยื่นของให้แกแกก็ยกมือไหว้ผมพร้อมทั้งอวยพรให้ขอให้เจริญเจริญนะเออนี่ยอยากจะให้ของเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของพนมนะผมเองก็ไม่รู้ว่าแกจะให้อะไรพอแกพูดจบแกก็เดินเข้าไปขนตรงที่นอนของแกแกใช้เวลาขนอยู่สักครู่แล้วแกก็หยิบเหรียนสตังสมัยก่อนขึ้นมาเป็นเหรียญที่ชาวบ้านเรียกว่าสตัง์รู แล้วแกก็นําเหรียญนั้นมาให้ผมหนึ่งเหรียญแกบอกให้เอาติดตัวไว้เพราะตัวแกไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากเหรียญ น, นี้และหลังจากนั้นผมก็ขอตัวกลับเพื่อที่จะได้ไปนั่งดื่มกันต่อที่บ้านเพื่อนและเมื่อเรากลับมานั่งตั้งวงกันต่อแล้วผมกับเพื่อนก็ปรึกษากันว่าเราจะทํายังไงกันดีเราจะหาเงินที่ไหนมาทําบ้านให้แกสักหลังนึงเอาแค่พอให้แกได้อยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปอาศัยนอนที่ส้วมของใครอีกแล้วก็ไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนอีกต่อไปแต่คิดไปคิดมาและหาทางออกกันแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องยาก แล้ตัวผมเองและเพื่อนๆก็เป็นคนบ้านนอกต่างก็หาเช้ากินข้ามเหมือนกันลําพังชีวิตกับพวกเราเองก็ไม่ได้สบายอะไรนะักก็ยังถือว่าลําบากเหมือนกันก็กระรบกันไปคิดกันไปแล้วเมื่อระบบสุบฉีดในร่างกายถึงจุดผมก็คิดออกจนได้ที่สุดแล้วผมตัดสินใจกลับไปที่บ้านของแกอีกครั้งแล้วก็ขอถ่ายรูปแกถ่ายรูปตัวบ้านที่แกอาศัยอยู่หรือกระทอบแล้วเอามาโพสลงเฟซเผื่อว่าจะมีคนใจบุญมาร่วมบริจาค ก, กันบ้าง และหลังจากที่กลับจากบ้านเพื่อนมาผมก็ได้ลงมือปฏิบัติตามแผนการและก็เป็นไปดังคาดคนไทยไม่แหลงน้ําใจปรากฏว่ามีเพื่อนทางเฟสหลายคนให้ความอนุเคราะห์สงสารยายได้ร่วมบริจาคเงินคนละ 200, ร้0ยสอร้อรวมๆแล้วก็ได้เงินมา 24,500 บาทผมดีใจมากรีบกลับไปบอกเพื่อนว่าเราคงจะสร้างบ้านให้ยายได้แล้วเงินที่ได้ซื้อของให้หมดเลยส่วนค่าแรงคงไม่ต้องเพราะพวกเราทํากันเอง3 4คนก็คงพอได้พวกเราก็ตกลงว่าจะทํากันเอง แล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นชื่อศักด์เขาก็อยากจะร่วมทําบุญด้วยเหมือนกันแต่ตัวเขาไม่มีเงินก็เลยขออาส า, ามาร่วมแรงอีกคนเพื่อจะได้เสร็จเร็วขึ้นเมื่อรับปากกันเรียบร้อยเขาก็เดินทางมาพักกับผมที่บ้านซึ่งก็เป็นการสะดวกสบายเพราะผมอยู่คนเดียวพ่อแม่ของผมท่านเสียไปหมดแล้วพอรุ่งเช้าของวันแรกที่เราจะทํางานกันพอเรานัดหมายกับเพื่อนร่วมทีมได้เจอกันที่บ้านเพื่อนผมอบตอน้องเราก็มุ่งตรงไปที่กระท่อมของย้ายกันเลยงานแรกของภารกิจเราก็คือ เราทุกคนช่วยกันจัดแจงหรือบ้านเก่าของยายแกออกแต่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะปรับปรุงที่อยู่ของแกแกก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่รู้ได้ว่าเป็นคราวเคราะ์ของแกหรืออย่างไรก่อนหน้าที่เราจะมาทํางานกันวันหนึ่งทราบว่ายายแกเดินอยู่ดีๆก็เกิดลื่นหล่มแขนหักมีอันต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยทําให้พวกเราต้องช่วยกันเก็บข้าวของของแกให้เป็นระเบียบไว้จากนั้นก็ทําการรื้อบ้านของแกพวกเราก็ช่วยกันเก็บข้าวของของแกจนจะหมดแล้ว แล้แล้วเสรตาองผมก็เหลือไปเห็นมีดดาบเล่มนึงพร้อมกับฝักมันวางอยู่ข้างที่นอนของแกผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูมีดดาบกับฝักอยู่ในที่แบบนี้มันแปลกมากด้วยความเลืกสนุกขึ้นมาไม่รอช้าผมก็ชักมีดดาบเล่มนั้นออกมาเล่นยังไม่พอผมยังตั้งท่าโคงมีดดาบหยอกล้อกับเพื่อนผมประมาณพระเอกลิเกแล้วเจ้าเพื่อนผมที่ชื่อน้องที่เป็นอบตอก็เดินมาร้องห้ามผมเฮ้ยเฮ้มีดเล่มนี้ของแกห้ามเล่นเพราะมันเป็นมีดดาบเล่มเก่าที่ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นเสือเป้าผัวเก่าของแก พอได้ยินเท่านั้นแหละผมก็รีบเก็บมิดดาบเล่มนั้นเข้าฝักแล้วก็วางไว้ไม่หยิบดูอีกเลยแล้วพวกเราก็ช่วยกันเรือบ้านต่อจนเสร็จเรียบร้อยก็ามานั่งพักกันจะกินข้าวเที่ยงกันสักหน่อยแล้จู่ๆผมก็เป็นอะไรไม่รู้มีอาการแปลกๆอยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุจใจวิววิวเหมือนจะเป็นลมผมบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าสงสัยจะเป็นเพราะแดดเพราะมันร้อนเกินไปแล้วก็บอกให้ผมไปนอนพักสักหน่อยเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นผมก็ทำตามที่เพื่อนแนะนำอิ่มจะเข้าวเสร็จก็ไปเอนลันนัังงนนนนิดดึึพพอไ้้ตื่กกกกกขสครู ขึ้นล้างหน้าล้างตามีแรงฟื้นแล้วก็กลับไปทํางานต่อร่วมทํางานกับเพื่อนได้อีกครั้งจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานซึ่งก็เป็นเวลาเย็นแล้วก็เป็นไปนอย่างที่เคยเป็นมาพอเลิกงานปุ๊บไอ้น้องอบตอก็เดินออกไปซื้อเหล้าขาวมะขวดหนึ่งก็กะจะดื่มกันสักหน่อยแก้ปวดแก้เมื่อยตามประษาคนป่ากคนดงแต่เย็นนั้นผมขอตัวไม่ดื่มด้วยเพราะว่ายังรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวก็บอกกับเพื่อนๆว่าขอนั่งคุยด้วยเฉยๆแล้วกันเหล่าเพื่อนฝูงก็ไม่ว่าอะไรไม่เปลืองด้วย และผมก็นั่งฟังพวกมีดีกรีคุยกันก็เพลินดีพอเล่าหมด1ขวดก็ไม่มีใครต่อจะแจงกินข้าวกินปลากันและเมือม่อเมื่อเย็นนั้นผักไปเรียบร้อยผมกับไอศัก์เพื่อนที่มาจะขอนแก่นที่มาพักอยู่กับผมที่บ้านก็ขอตัวกลับบ้านกั น, นด้วยระยะทางที่ไกลกว่าจะถึงบ้านก็ปาเข้าไป3ามทุ่มเศษพอมาถึงบ้านผมสองคนต่างก็เรียบอาบหนาบอาบท่ากันจะนอนพักกันให้หายเหนื่อยเพราะว่าตอนเช้าเราก็ต้องออกเดินทางกันอีกแต่เช้าตอนก่อนนอนไอศักมันก็ถามผมว่า เฮ้ย hey, วันนี้มึงเป็นอะไรอะ่ะเล่าก็ไม่กินแถมยังดูงดเงียบๆพี่กลนเว้ยไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวตั้งแต่กลางวันว่ะผมตอบเพื่อนแค่นั้นแล้วเราสองคนก็พากันนอนหลับไปเราหลับกันง่ายเพราะเห น, น็ดเหนื่อยจากงานที่ทํามาทั้งวันจนไม่ถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้เรื่องราวเลวร้ายก็เกิดขึ้นเพราะว่าจู่ๆผมก็ฝันไปเป็นฝันที่แปลกมากผมฝันว่าไอ้ศักเพื่อนผมที่กําลังนอนอยู่ข้างๆผมนั้นจู่ๆมันก็ลุกขึ้นมานั่งและเอื้อมมือมาจะบีบคอผมหน้าตามันเหมือนกับโกรธแค้นผมมาก ผมรีบคว้าแขนมันไว้ทั้งสองข้างแล้วก็ตะโกนถามมันกลางดึกไปว่ามันเป็นใครมันเป็นใครผมตะโกนถามมันไปแบบนี้ 3- าสครั้งแล้ในที่สุดผมก็รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่พอผมลืมตาขึ้นมามันกลับไม่ใช่ความฝันเพราะมือผมยังกำแขแขนของไอ้ศักดไว้ทั้งสองข้างเลยผมมองไปที่หน้าของเพื่อนผมตอนนั้นทั้งๆที่อยู่ในความมืดผมก็สังเกตเห็นได้ว่าหน้าตาของเพื่อนผมเซ็กขาวเหมือนที่เขาเรียกกันว่าซีบนไก่ต้มอย่างอย่างนั้นผมรีบตั้งสติแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าไอ้ศักกกกููขออโทษเมื่ี้ฝันไปด์ แต่เพื่อนผมกลับไม่พูดจาอะไรมันเรีบดึงแขนออกจากมือของผมแล้วก็ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวนอนหันหลังใส่ผมอะไรวะผมงงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรให้มากความคิดว่ามันคงจะไม่โกรธละแต่มันคงจะง่วงนอนพอผมทิ้งตัวลงกันมาจะนอนต่อพลันหูผมก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งดังขึ้นฟังดูดีๆมันก็คือเสียงสะอื้นของเพื่อนผมที่นอนอยู่ข้างๆนั่นเองมันเป็นอะไรวะสะอื้นซะด้วยผมคิดคนเดียวในใจ ก็เลยรีบยื่นมือไปจับที่ต้นแขนของเพื่อนแล้วก็บอกกับมันอีกทีว่าผมขอโทษแต่ว่าทันทีที่มือของผมไปถูกต้องตัวมันกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้ศักก์ก็ร้องสั่นขึ้นมาตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้ศักก์ก็ร้องกลัวๆไม่หยุดเลยผมก็เลยบอกมันว่าเฮ้ยกูไอ้นายเนอะมึงไอ้นายเพื่อนมึงไงมึงหันมามองกูซีแต่เพื่อนผมกลับบอกมาว่าไม่ไมไ ม, ไม่ไม่ใช่มึงมึงมึงไม่ใช่ไอ้นายอ้าวเอาแล้วไงผมคิดในใจถ้ากูไม่ใช่ไอ้นายแล้วใครจะเป็็นนนนนนนวะะะอออไรมมมััััจขาาด้้ผกแค่ฝ่ฝลเเทง เฮ้ย hey, งั้นมึงหันมามองหน้ากูนี่กูจะลุกไปเปิดไฟแล้วผมบอกมันเฮ้ยเฮ้อย่าไปอย่าไปมึงอย่าหนีกูไอ้สักร้องอ้าวงั้นมึงก็ไปกับกูไปเปิดไฟด้วยกันผมบอกมันแล้วมันก็เงียบไปครู่นึงจากนั้นก็ค่อยๆขยับตัวลุกตามผมบอกมาแต่พอมันลุกขึ้นมานั่งที่ขอบเตียงเท่านั้นแหละมันก็ตะโกนขึ้นอีกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแถมยังนั่งเอามือกุมหัวร้องแล้วก็ยังแหงนมองเพดานไปมาอีกด้วยมองขึ้นไปบนหลังคาแล้วกออองรรยรรยะโ ถึงจังหวะนี้ผมก็รีบไปเปิดไฟทันทีคิดว่าจะทำให้เพื่อนผมสงบใจลงได้บ้างแต่พอเปิดไฟผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะสภาพของหน้าตาเพื่อนผมตอนนั้นดูแล้วมันน่าสงสารมากมันซีดขาวสายตาก็หลอกแหลกหวาดระแวงมองซ้ายมองขวาไม่หยุดคอยแต่จะแงะดูที่หลังคาบ้านสภาพเหมือนคนบ้าเหมือนกับว่าตอนนี้มันกาลังกลัวอะไรสักอย่างหนึ่ง พอผมเห็นสภาพเพื่อนอย่างนั้นผมก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผมผมขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเพื่อนผมกลัวอะไรและมันเห็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สัญชาตญาณบอกว่าไม่ปลอดภัยมันบอกให้วิ่งวิ่งดีกว่าแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าถ้าวิ่งไปแล้วเพื่อนจะอยู่ยังไงก็นี่มันบ้านเราผมรีบเริ่มลมสติอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปหามันแต่ว่าไอ้สัตว์ก็กลับลุกขึ้นยืนแล้วก็ถอยหนีไอ้สัต์มึงดูดีๆนี่กูใครกูไอ้นายเพ ไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่ไอ้ไหนมึงไม่ใช่พอได้ฟังผมก็ยิ่งกลัวเขาไปใหญ่กลัวทั้งตัวเองกลัวทั้งอาการของเพื่อนด้วยสับสนไปหมดแล้วแต่ก็คิดปลอบใจตัวเองว่าต้องมีสติต้องมีสติเท่านั้นไอ้ศักมันเตลิดไปแล้วผมก็เลยบอกมันว่าอ๋องั้นเดี๋ยวกูจะลงไปฉี่นะเฮ้ยไม่เอามึงอย่าทิ้งกูไอ้ศักร้องโวยวายมันยังไงวันเนี่ยกลัวแต่จะให้อยู่ด้วยผมคิดอะไรไม่ออกเลยก็ได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆสักครู่หนึ่งผ่านไปก็เห็นว่าไอ้ศักอาการดูจะดีขึ้น้นสงงงบบลา แล้วมันก็ค่อยเดินเข้ามาหาผมมันเดินมานั่งลงข้างๆผมผมก็นั่งลงข้างๆมันมันเป็นอะไรวะผมถามมันมันก็บอกผมว่ามันฝันร้ายแล้วมันก็เล่าความฝันให้ผมฟังพอได้ฟังก็ทำเอาผมขนลุกเกรียวเรียกว่าลุกทุกอนูทั่วตัวเลยมันกับผมเหมือนจะฝันเรื่องเดียวกันฝันในเวลาเดียวกันฝันของมันก็คือว่ามันจะมาทําร้ายผมมันจะบีบคอผมซึ่งตรงกับความฝันของผมที่ว่ามันจะทําร้ายผมและผมก็ป้องกันตัวเองมันเล่าต่อไปว่า ได้ความฝันของมันนั้นผมน่ากลัวมากมันบอกว่าหน้าตาผมไม่ใช่ผมมันบอกว่าหน้าตาผมน่ากลัวมากไม่เหมือนหน้าตาของคนเพราะถ้าเป็นคนต่อให้หน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่น่ากลัวขนาดที่มันเห็นซึ่งก็คือหน้าของผมในตอนนั้นพอคุยกันได้สักพักหนึ่งอารมณ์ของเราก็เริ่มเย็นลงมองดูเวลาก็ตี2กว่าแล้วผมก็เลยชวนมันเข้านอนต่อเพราะว่าง่วงมากจริงๆ แต่พอผมเดินไปปิดไฟเท่านั้นแหละไอ้ศักก์ก็ร้องขึ้นมาอีกว่าเกลัวแล้วกลัวแล้วผมสะดุ้งโหยงรีบเปิดไฟขึ้นอีกทีคราวนี้เห็นมันนั่งคุกเขา่าเอามือกุมหัวแล้วร้องฮือๆว่ากลัวแล้วกลัวแล้วผมตัดสินใจจับแขนของมันแล้วก็ดึงไปมึงไปกับกูมันมองหน้าผมจ้องกระหมิงคล้ายกับจะดูให้รู้แน่ว่าใช่ผมแน่หรือเปล่าหรือว่าไอ้ที่จับมือมันอยู่นั้นคือใครกันแน่แถมยังทำท่าจะวิ่งหนีอย่างเดี ย, ดยวด้วยผมเลยตัดสินใจรีบโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อที่วัดกลางดึกแล้วก็รีบเล่่่าาาเรรืองงให้ทนฟ ท่าก็บอกว่าให้รีบไปหาท่านที่วัดท่านจะรดน้ํามนต์ให้ผมรอจนไอศักรเริ่มได้สติขึ้นอีกครั้งแล้วก็บอกกับมันว่าเราจะไปวัดกันครั้งนี้มันไม่เด้อมันยอมสอนทายรถมอเตอร์ไซค์ผมไปด้วยดยีพอผมบิดไปถึงวัดก็เห็นว่ากุติหลวงพ่อท่านเปิดไฟรออยู่สังเกตเห็นว่าไอศัก์ตอนนี้ก็เหมือนคนปกติแล้วเราสองคนรีบเข้าไปกราบท่านแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ท่านฟังอีกครั้งนึงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแปลกก็เพิ่งเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้ท่านจึงทําการรดน้ำมนต์ หลังจากรถน้ำมนต์ก็คุยกับหลวงพ่อกันต่อคุยเสร็จก็เกือบจะสว่างพอดีผมสองคนก็เลยกราบลาท่านกลับพอมาถึงบ้านไอศักก์ก็บอกผมว่ามันไม่กล้าที่จะอยู่ต่อด้วยแล้วมันกอกลับบ้านเลยผมก็เลยให้มันกลับบ้านขอนแก่นไปและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามีเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เจอมันคืออะไรพอเล่าให้หลายคนฟังส่วนมากก็ไม่มีใครเชื่อบางคนก็บอกว่าไอศักก์มันมีของดีและของดีที่มันมีนะ่ะก็จะเล่นงานผม แต่วาบังเอิญผมมีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาของดีของไอศักดิจึงสู้ไม่ได้ก็เลยทําให้มันหลอนไปเสยเองแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะโดนนิสัยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเรื่องขององค์เท่าไหร่และทุกวันนี้ไอศักเพื่อนผมมันก็เงียบหายไปเลยครับเบอร์โทรมันก็ไม่มีแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกันได้อีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์แปลกของผมทั้งหมดครับครับผมก็ขอขอบคุณคุณพยักใต้เขินนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดให้เสียงเป็นอะไรในแหวดีจังเลย ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องราวบางเรื่องถ้าไม่ได้ประสบกับตัวก็ไม่รู้หรอกก็ยังคงส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดได้เช่นเดิมนะครับทีนี้มาฟังคําดีๆสบายใจกันบ้างดีกว่าครับถ้าใจเราคิดดีก็เจอแต่สิ่งดีๆถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราก็จะรู้สึกดีถ้ากําลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะคลี่คลายเป็นดีแล้วก็เช่นเดิมครับ